ตามเรื่องราวต่างๆที่มันยึดถือไว้อันนี้มันเป็นธรรมดาของจิตที่ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของจริงละออภาทานยังไม่ได้ มันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นเนี่ย น, นี้เรามาฝึกไม่ให้มันคิดกระสับกระสายไปมาในเรื่องต่างๆที่เป็นอดีตกรีเป็นอ น, นาคตกรีมีสติธรรัะญสะเพ่งเข้ามาในปัจจุบันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างให้ถือว่ามันมีอยู่แต่ในปัจจุบันนี้อดีตมันก็ร่วงมาแล้วมันดีหรือมันชั่วยอย่างไรมันก็ร่วงมาแล้วมันดับมาแล้วอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงเป็นแต่เพียงคาดคะเนไปเฉย ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่แน่นอนจะไปยึดถือเอามาเป็นจริงเป็นจังไม่ได้เรื่องที่มันร่วงมาแล้วก็เหมือนกันจะไปยึดถือเอามาปรุงแต่งให้มันดีขึ้นกว่าเก่าสิ่งใดที่มันร่วงมาแล้วมันไม่ดีขึ้น เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วเมื่อมีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารมีแต่ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นแม่ในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะ ความคิดที่เกิดขึ้นแล้วคิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างออกไปไม่มีใอ้พินิพิจารณาดูให้รู้ให้เข้าใจนี่แหละเรื่องของสังขารที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่า สเพชั่งขาราอนิจจติยะดาปัญญายปัส ต, ติอัธนิบินดาติลูเคเเอสมาโกวิสุธยาเมื่อใดพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไป เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในสังขารทางหลายทางปวงนั้น mm hmm. ข้อนั้นแน่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจด mm hmm. พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้ mm hmm. ก็เป็นเครื่องเชีให้เห็นว่าจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ที่มัวหมอง อยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆนั่นนะกรเพราะมองไม่เห็นสางขานทางพวงเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงตามเป็นจริงมันเห็นว่าเป็นของเที่ยงเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักน่าเกลียดมันจึงได้หลงรักหลง เกลียดไปตามอารมณ์นั้นๆัก็จึงทำจิตให้เจ้าหมองขุนมัวเอ า, าเพ่งดูภายในนี่แหละไม่ถึงกับเพ่งไปภายนอกอะไรเมื่อเพ่งดูภายในนี่ก็เห็นได้ เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้หายใจเข้ามันก็ถ้ามันหายใจออกมันก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายชีวิตนี้จึงมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านี้เองแต่ว่า เราที่ยืนยันได้หรือว่าลมหายใจนี่มันจะไม่ดับไม่มีใครยืนยันได้เพราะรู้อยู่แล้วี่คนที่เขาตายไปก่อนแล้วนั้นเขาก็หยุดลมหายใจนี่แหละถึงได้ตายลมหายใจนี่มันหยุดลงนี่อ่ะ ลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเรามองดูแต่แค่ลมหายใจเข้าออกนี่ก็รู้ได้หรือความคิดของดวงจิตนี่ก็เหมือนกันนะคิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ยงนั้นส่วนนามธรรมอันนั้นนะมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะีง เพราะฉะนั้นเึื่งใช้ปัญญาสอนจิตนี่อย่าให้หลงอย่าหลงของไม่เที่ยงอย่าคิกว่าดวงจิตนี่มาอาศัยอยู่ก็บของไม่เที่ยงมันจะแตกจะดับไปเมื่อไรไม่มีใครมาบอกให้รู้เลย ตัวเองก็ไม่สามารถจะรู้ได้อย่างนั้นจ่งต้องกำหนดรู้เท่าของไม่เที่ยงเหล่านี้ตามเป็นจริงเสมอไปสิ้งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากทนอยู่ได้ด้วยความลำบาก คือมันแปรผันวันไว้ไปมาอยู่เสมอเนี่ยลักษณะอาการแห่งความทุกข์ของสังขารร่างกายอันนี้ทุกข์ของใจก็คือใจไม่ตั้งมั่นใจวันไหวไปตามกิเลสตัณหาทงต่างนั่นแหละคือทุกข์ของใจ เพราะนั้นเมื่อเห็นสิ่งไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องเห็นทุกไปตามกันนั่นแหละเพราะมันอยู่ด้วยกันเมื่อมองเห็นทุกตามเป็นจริงแล้วก็เท่ากับว่าเห็นอนัตตาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบังคับไม่ได้มันถึงได้แปรปรวนไปอย่างนั้นใครๆก็ไม่อยากให้มันแปรปรวน แต่มันไม่อยู่ในอำนาจของผู้ใดเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราของเขาอันนี้นะป่ะเป็นความจริงแท้แต่ว่าจิตนี้เนี่ยมันหากไม่ยอมรับความจริงอันนี้ ส่วนมากคปหนึ่งนั้นเนี่ยไม่ยอมรับถ้าจิต ด, ดวงใดมันยอมรับความจริงอันนี้มันก็ปรงกว็าวางลงได้เพราะว่าเมื่อมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาได้ไปขืนยึดถือไว้ก็เป็นทุกข์เป่ า, ปางงงงงนี้้้้แลววึึไไดดปรดา ไว้ตามสภาพมันไม่เที่ยงก็วางไว้ตามมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้แต่พันวันไรไปมาก็กําหนิดรู้ตามเป็นจริงไปเท่านั้นอย่าไปอยากให้มันเที่ยงมันยั่งยืนมันมันไม่มันเป็นไปไม่ได้ กฎธรรมดามันหักเป็นอยู่อย่างนั้นเมืเม่อบังคับไม่ได้แล้วเราก็ปล่อยตามสภาพของมันอย่าไปเสียใจดีใจกับสังขารสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้เลยนี่อาศัยปัญญาสอนใจนี่แหะมันถึงค่อยเห็น คืงค่อยเห็นแจ้งคืงค่อยยอมปรงยอมวางถ้าหากว่าไม่มีอุวายปญยาสอนแล้วมันจะไม่ยอมปรงยอมวางสังหารอันนี้เลยมันจะยึดจะถืออยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพาการตั้งอกตั้งใจ เพ่งพิจารณาในเมื่อทำใจให้สงบพอสมควรแล้วพิจารณาความจริงของสังขารร่างกายนี่ให้มันเห็นจริงตามเป็นจริงแล้วมันก็จะไม่เป็นทุกข์หรือร้อนใจใจจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์ ข้อของไม่เที่ยงนี่เองเนี่ยพาไม่รู้เท่าข อ, ของไม่เที่ยงกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงหมือนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนมือ่อใจไปยึดถือเอาไว้มันก็เป็นพุกเดือดร้อนไปตามกิเลสนั้นแหละเพรามันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์อย่างไรอ่ะก็เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันไม่อยู่นิ่งๆนีน่มันแสดงฤทธิ์เดชออกมาเมื่อเวลามันได้สัมผัสกับสิ่งภายนอกมันไม่มันไม่รู้เท่าแล้วก็แสดงบทโลกบทโกรธบทหลงออกมา อยากได้ของฟุ่ยเราเป็นของตนอย่างคิดเข้าไปเท่าไร ย, ยิ่งเป็นทุกข์หลายเพราะว่าการที่จะไปหยิบอขค์เขาเฉยๆนี่มามันไม่ได้หรอกเจ้าของเขาหวงแหนก็ต้องไปต่อสู้เอาอย่างใดอย่างหนึง่งต้องวางแผนความคิดวางแผนนี่มันเป็นทุกข์หลายมันเป็นอย่างนั้น ความโกรธก็เหมือนกันเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วไม่รู้จักละไม่รู้จักปล่อยวางความโกรธนี้มันก็เผาจิตให้เดือดร้อนถ้ายังละมันไม่ได้ตราบใดมันก็ยังเร่าร้อนใจอยู่อย่างนั้นแหละหาความสงบใจไม่ได้เลย ท้งนั้นและท้งนี้มันก็เพราะหลงนี้เองเนี่ยถ้าไม่หลงก็ไม่หวันไห้ไปมาอย่างนี้คือหลงความจริงของสังขารเนี่ยความโลภมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่ยความเป็นความคิดความคิดเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่ใจยึดถือเอาแล้วมันก็ไม่ดับ มันก็ปรากฏอยู่ในใจนั้นความโกรธมันก็ไม่เที่ยงคิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ใจยึดถือเอาไว้มันก็ย่อมปรากฏมีอยู่ในใจความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งต่างวันนี้การล้วนแต่ไม่เที่ยงเท่านั้นเนี่ยมันเป็นของเกิดขึ้นแล้วดับไป มันดาความรู้ความจำทั้งหลายไม่มีอะไรเที่ยงยังยืนอยู่แม้แต่น้อยเดียวก็พิจรารณาเห็นความไม่เที่ยงของกิเลสอันเป็นอารมณ์ของจิตอย่างนี้เสมอๆไปแล้วมันก็เบื่อหน่ายเหมือนอย่างพุทธภาสิติยกขึ้นมานั่นแหละ เมื่อใดพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงด้วยอำนาจแห่งปัญญาตามเป็นจริงอย่างไดแล้วเมื่อนั้นก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนี่ท่านว่าเป็นหนทางอันบริสุทธิ์ปดจดมันก็บริรสุทธิ์สิเมื่อจิตปล่อยวาง สิ่งที่มัวหมองต่างๆเหล่านั้นเช่นปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงหรือว่าความรักความชังความหลงโังนี้นะเมื่อปล่อยวางได้จิตนี้มันก็ห่องใสแลเหมือนอย่างสิ่งโกโผกมาแปเปื้น ถ้านุ่งผ้าหม่มเอาไปแช่กับผงซักฟอกเข้าไปผงซักฟอกมันยะกัดสิ่งสกปรกแล้วนั้นออกไปขยี้ไปซักฟอกเข้าไปผ้าที่มัวหมองมาแต่ก่อนมันก็ขาวสะอาดขึ้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตนี้ก็ถูกอุปกรณต่างๆหุ้มห่อมาแต่เดิม มันถึงได้เศร้ามองขุนมัวมเมื่ อ, อคนใดมาจำเอาแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนลงมือปฏิบัติตามนั่งสมาธิภาวนาเจริญสมถะ ท, า, ทาใจให้สงบลงไปแล้วก็เจริญนิพพานา พยายามฝึกใจนี้ให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงอย่างไรก็เห็นไปตามไม่จริงอย่างนั้นเมื่อมันไม่เที่ยงก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่าไปสําคัญว่ามันเที่ยงมันสวยมันงามเมื่อมันเป็นทุกข์ก็เห็นว่าเป็นทุกข์ตามเป็นจริง อย่าไปมองเห็นสังขารร่างกายนามลูกอันนี้ว่าเป็นสุขสบายมันไม่มีอะไรเป็นสุขสบายหรอกถึงมันรู้สึกว่าเป็นสุขมันก็รู้สึกว่าเป็นสุขชั่วคราวเดี๋ยวดาวมันก็หายเปอย่างนั้นก็เพ่งให้มันรู้ให้มันเห็นแจ้ง เม่สังขาร น, นามลูปนี้ไม่ใช่ตัวตนก็ให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆปงมันลงวางมันลงอย่าไปเสียใจดีใจในเมื่อมันเจริญขึ้นหรือมันเสื่อมลงต้องกําหนดใจเป็นอุบเบกขาต่อสังขาร น, นามลูปนี้ให้ได้ ก็เมื่อบุคคลมาเห็นแจ้งอยู่อย่างนี้ล่ะเห็นแจ้งในกายที่ตนอาศัยอยู่นี่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็เห็นร่างกายของผู้อื่น้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครเหมือนกันเี่ เมื่อมันเมื่อไม่เห็นแจ้งสังขาร น, นามรูปอันเป็นปัจจุบันอยู่นี่แล้วมันก็ไม่เห็นแจ้งในนามในรูปอื่นเหมือนกันมันหลงรักหลงชังในนามในรูปที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่นะก่อนนะมันจึงไปหลงรักหลงชังในนามในรูปอื่นนุ่น ลองสังเกตดูให้ดีกิเลสเหล่านี้มันอาจจะซ่อนตัวอยู่ในใจนั่นแหละบางทีมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นว่าจิตใจตนเองยึดกิเลสเหล่านี้ไว้เมื่อละลามีเหตุมากระทบเข้าไปนู่นมันยังโผล่ขึ้นมา พากันพิจารณาให้มันละเอียดและออนเพิ่มอิจฉาริษยาผู้อื่นอย่างนี้นะมันย่อมติดสันดานมาแต่อเนกชาตินูน่นความอิฉาดิษยาผมก็เคยจากความโกรธนั่นแหละแต่ว่ามันความโกรธอันนะั้นมันไม่รุนแรง ถึงกับไปทุบไปตีผู้อื่นมันเป็นได้วความคิดที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็กล่าววาจาเสียสีกันไปพูดเนบให้เจ็บใจอ่านโมนี่บางคนอาจไม่รู้ตัวเลยว่าจนพูดผิดก็เลย ถือเป็นเรื่องธรรมดาไปให้เหมือนี้มันไม่ควรจะไปนอนใจควรพากันตื่นตัวมาเพ่งพิจารณาใจของตนนี่แต่ให้มันละเอียดถี่ถ้วนให้มันเห็นด้วยทางภาวนาภายในใจนู่นเมื่อใจสงบลงไปแล้วพิจารณามันก็เห็นแหละ ว่าใจของตนมันเกาะมันคล้องอยู่กับกิเลสชนิดไหนอย่างนี้มันก็มองเห็นได้ไม่ใช่มองไม่เห็นแต่ผู้ที่ไม่ได้พิจารณามันก็มองไม่เห็นหลยเพราะฉะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจ ผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายนั่นนะจะอยู่ในบ้านก็ตามอยู่ในวัดก็ตามการภาวนาก็เพื่อที่จะเพ่งพิจารณาให้เห็นลักษณะอาการของกิเลสต่างๆที่ยังละไม่ไดท้ที่มันหมักมุมอยู่ในจิตใจเนี่ย เพื่อให้รู้ให้เห็นตัวกิเลสเหล่านั้นตามเป็นจริงเมื่อเห็นกิเลสเหล่า น, นั้นแล้วก็พิจารณาดูลิทเลธเดชของมันเป็นอย่างไรต่ว่าความรักอย่างนี้เลยเมื่อมันจับใจของผู้ใดได้ก็ใจเราร้อนอยู่อย่างนั้น เมื่อมันมงมากเข้าไปแล้วกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่รับ ม, มันจนเป็นเหตุให้ทําชั่วอะบรแบนี้นะเป็นเหตุได้ฆ่าสัตว์ก็ได้เพราะความรักอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้ไปรักเอาสิ่งของของผู้นอเป็นของตนก็ได้ เนรักลูกรักเมียมากอย่างนี้เอาตอนเองที่เกียจที่ข้านไม่มีปัญญาจะหาเงินทองมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียโดยลำแข้งตัวเองได้เห็นคนอื่นเขาหามาได้บางว่าเก็ะวางแผนไปช่อโกงที่ปล้นหลอกลวงยื้อแย่งเอาของเขามานี่ เอามาเลี้ยงครอบครัวอา้าบรรดาความรักนี่มันไม่มีพรมแดนเคยพูดพูดกันมามันก็เป็นความจริงเนี่ยบางคนมีเมีย ม, ม, ม, มีผัวอยู่แล้วก็ยังไม่จูใจไปเห็นเมียคนอื่นผัวคนอื่นลูกสาวลูกชายของคนอื่นเข้า กเกิดความพออกพอใจไปล่วงประเวณีกับคนเหล่านั้นบางคนก็ความรักมันเกิดขึ้นในใจมากๆแล้วอยากได้ของสิ่งนั้นก็ใชวาจากโหกหกมดเท็ดพูดหลอกลวงเอาด้วยเรื่องไม่จริง ให้เขาหลงเชื่อให้ต้นได้ทรัพย์สมบัติของเขามาความรักความโลภ ค, ความอยากต่างๆมันก็เป็นเหตุให้คนเราซ่อมท่องเสพของมืนเมาคือสุราเมรยัยตัญชายาฟิน่นเฮโรอีนต่างๆหมนี่ มันเกิดจากความโลภความรักในทั้งนั้นเนี่เป็นมูลเหตุเพราะฉะนั้นผู้จเจริญสมถะวิปัสสนานี่จะต้องพิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสต่างๆเหล่านี้ตามเป็นจริงจะจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย เราต้องก้ปฏิบัติธรรมนี่จะต้องพิจารณาจนให้มันเกิดความเบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งปัญญามันถึงจะคลายความยึดความถือในสิ่งนั้นนั้นได้ถ้าหากว่ามันไม่เบื่อหน่ายตราบใดแล้วมันจะไม่คลายเลยมันจะไม่พงไม่วาง แม้ว่ามันจะรนบันดาลให้ไปทำบาปก็ยอมทำตามมันอมันจะไปตกนรกบกไม่อยู่กี่หลุมก็แล้วแต่มันมันเป็นอย่างนี้เลยเมื่อกิเลสมันครอบงา ม, มากๆเขาแล้วคนเราอยอมทำบาปทำกรรมถ้าเพิกกิเลสอันนี้ออก ไปจากดวงจิตจิตสงบลงไปปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมองเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ว่าเป็นโทษจริงๆนำทุกข์นำโทษมาให้แก่ผู้ส่องเสร็จจริงๆอย่างนี้แหละเมื่อเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วก็สามารถละได้ ลอยวางได้เหมือนอย่างบุคคลไปหลงกรมคองงูไว้อย่างนี้เนะี่อ้าวอันนี้เป็นงูนะมันงูพิษถ้ามันกัดเข้าไปมันทำพิษอนีก็รีบวางทันทีเนะี่ยจะไม่ยอมกอดมันไว้เลยงูนะนะถ้าไม่รู้ว่ามันมีพิษจะนี่ก็จะไป กอดเอามันไว้มันก็กัดเอาเท่านั้นเองธรรมชาติของมันน่ะกิเลสมันก็เหมือนกับงูพิษนั่นแหละมันมีพิษอยู่ในตัวของมันน่ะความรักก็ดีความชังก็ดีความโลภความโกรธหมดเนี่ยใครขืนยึดถือเอากิเลสอย่างใดไว้กิเลสอย่างนั้นมันก็ทำริดทาพิษเอาจริงจริง ทำให้จิตใจนี่เล่าร้อนเจ็บปวดทุกขเวทนาต่างๆโมนี่จะต้องพิจารณาเห็นโทษอย่างนี้แหละมันถึงละได้กิเลสตัณหาเหล่านี้นะอย่าพากันนิ่งนอนใจตย่พากันเพจรานาไปรัษานาญาณอันนี้นะ ให้แจมแจ้งขึ้นในใจเสมอคนเรานะมันไม่ค่อยคิดนะแต่ละวันแต่ละคืนนะ่ะไม่ค่อยลำพึงถึงสิ่งไม่เที่ยงร่างกายสังขารที่ดวงกิดตนอาศัยอยู่นี่มันเป็นของไม่เที่ยงก็ไม่อยากพิจารณาแหละคนส่วนมากนะนั่นนี่มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเลยก็ไม่ค่อยพี่นาน เมื่อมันเป็นทุกข์ก็ดิน้นรนกรวนกวายไปอย่างนั้นเนี่อมันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนจริงจังอันนี้ก็ไม่ค่อยพิจรารณาเพราะ้วมันถึงไม่เบื่อไม่นายก็ให้พากันพิจารณาให้ดีนี่แหละเป็นหนทางแห่งความบริสุทธิ์พดจดของดวงจิตนี้ดัง แสดงมา